วันนี้เป็นวันศุกร์ที่สิบเมษายนพุทธศักราช2569เเป็นวันพระเป็นวันพัฒนาจิตใจด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนา คำว่าภาวนาก็คือแปลว่าทําให้เจริญขึ้นให้ดีขึ้นจิตตภาวนาก็คือการทําให้จิตดีขึ้นเจริญขึ้นทําให้จิตเจริญขึ้นด้วยการทําให้จิตมีความสุขมากขึ้นการทําจิตให้มีความสุขมากขึ้น ก็คือการเจริญสมขะภาวนาทําจิตใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิแล้วหลังจากนั้นก็ไปสอนจิตให้ฉลาดด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อลดความทุกข์ให้มีน้อยลงไปตามลำดับและหมดซึ่งไปได้อย่างถาวร นี่คือการพัฒนาจิตใจด้วยการเจริญจิตภาวนาสมถภาวนาทาจิตให้นิ่งให้สงบให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับแล้วก็เจริญวิปัสนาภาวนาเพื่อลดความทุกข์ที่มีในใจให้น้อยลงไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปในที่สุด นี่คือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทุกๆพระองค์ได้ใช้กันมานับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงครูบาอาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายในปัจจุบันนี้ท่านใช้ การภาวนาการปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขให้กับใจและลดระ ด, ดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปนอกจากการใช้จิตตภาวนาแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติ ในขมมะคือการถือศีลของนักบวชตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปในขมมะก็คือการละการหาความสุขทางกามคุณห้าทางรูปเสียงกลิ่นรสผลธพะที่เป็นความสุขที่ไม่ยังยืนถาวรที่เป็นความสุขที่จะ สร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะการมคุณห้าเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปในเวลาอันไม่นานพอเวลามันหมดไปความเศร้าความทุกข์ใจก็ผู่ขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆจึงจำเป็นที่จะต้องระงรับการ หาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆด้วยการปฏิบัติเนคขมะคําว่าเนคขมะก็แปลว่าการละเว้นการเสบรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆนั่นเองเช่นในเสียงแตกก็จะมีการละเว้นการร่วมหลับนอนกัน ให้ถือสีลพรหมจรรย์คือนอนคนเดียวไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้กองของตนแล้วก็ไม่ให้รับประทานอาหารตามความอยากต่างๆให้รับประทานพอเลี้ยงดูร่างกายได้ก็พอให้ร่างกายอยู่ได้เพราะร่างกายจาเป็นจะต้องมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ถ้ากาดอาหารร่างกายก็ต้องถึงแก่ความตายจึงจาเป็นยังต้องการมีการรับประทานอาหารแต่ต้องรับประทานอาหารในปริมาณที่สมควรที่พอประมาณต่อความต้องการของร่างกายก็พอคือรับประทานวันละหนึ่งครั้งก็หรือก็สามารถทำให้ร่างกายอยู่ได้แล้วไม่จำเป็นที่ต้องรับประทานวันละ สามสี่ครั้งด้วยกันรับประทานวันละครั้งหรือถ้ายัางรับประทานครั้งเดียวไม่ไหวก็ให้รับประทานสองครั้งก็ได้แต่ไม่ให้เกินเที่งวันไปแล้วหลังจากเที่งวันไปแล้วก็ให้งดกิจกรรมการรับประทานอาหารการดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆที่ไม่ได้เป็นยารักษาโรคของร่างกายหรือ ถ้าร่างกายหิวน้ำก็ให้ดื่มน้ำเปล่าๆไปร่างกายไม่ต้องการนะฮะน้ำที่มีสีมีรสมีกลิ่นมันไม่ได้เป็นตัวที่ไปทำให้ร่างกายนี้ดีขึ้นแต่อย่างใดแต่น้ำเปล่าๆนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายร่างกายจาเป็นจะต้องมงีมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับมีลมหายใจหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา น้ำกับลมนี้เป็นปัจจัยสำคัญลมก็ไม่จำเป็นจะต้องมีกลิ่นมีสีลมก็เป็นลมตามธรรมชาติที่เราหายใจกันอยู่ในขณะนี้น้ำก็ควรจะเป็นน้ำที่ไม่มีสลไม่มีสีมีกลิ่นมีรสเพราะการเสพสีกลิ่นรสของน้ำนี้ก็เป็นการเสพกลามคุณ การหาความสุขจากสีของน้ำกลิ่นของน้ํารสของน้ำนี่เราต้องการละการเสพการมกุลถ้าดื่ม น, น้ําก็ควรจะดื่ม น, น้ําเปล่าน้ําสอาดน้ําที่ร่างกายต้องการต้องร่างกายไม่ต้องการสีกลิ่นหรือรสต่างๆร่างกายไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสปลอดภั ไม่มีความจำเป็นต่อความต้องการของร่างกายร่างกายต้องการอาหารที่มีคุณมีประโยชน์ที่ทำให้ระงับความหิวที่เกิดจากการขาดอาหารได้เพื่อรักษาให้ร่างกายอยู่ต่อไปในแต่ละวันสำหรับนักปฏิบัติธรรม ถ้าเป็นนักปฏิบัติแบบมืออาชีพส่วนใหญ่ก็จะรับประทานอาหารเพียงวันละหนึ่งครั้งเท่านั้น mm hmm. ก็พอต่อความต้องการของร่างกายนี่คือการ mm hmm. การละหาความสุดจากการรับประทานอาหารและดื่มเ mm hmm. ครื่องดื่มต่างๆถ้าจะดื่มเ mm hmm. ครื่องดื่มที่มีสีมีกลิ่น mm hmm. เช่นน้ำชา mm hmm. กาแฟอ หรือน้ำเครื่องดื่มอะไรก็ตามก็อนุญาตให้ดื่มได้ก่อนเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ควรที่จะดื่มน้ำอะไรนอกจากน้ำเปล่าหรือถ้ามีโรคภยัยแค่เจ็บก็อาจจะดื่มเครื่องดื่มที่อาจจะมีน้ำตาลปนอยู่ก็ได้น้ำพึ่งผสมอยู่ก็ได้แต่ต้องควรจะดื่มเป็นยา ไม่ได้ยืไม่ได้ดื่มเพื่อความสุขไม่ได้ต้องการให้เสกความสุขจากการดื่มเครื่องดื่มต่างๆให้เอาเวลามาสร้างความสุขทางใจด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิดีกว่านนี้คว่าข้อที่ข้อแรกก็คือไม่ให้ร่วมหลับนอนกันข้อที่สองก็คือศินข้อหกคือไม่ให้ รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วและเครื่องดื่มที่มีสีมีกลิ่นมีรสนั่นก็ข้อที่เจ็ดของศีนแปดข้อที่สามของเน่ธรรมะ ก, ก็คือไมห่หาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงเกี่ยวกับเรื่องบันเทิงต่างๆอันนี้เป็นการเสกรูปเสียงกลิ่นรสเรูปเสียงกลิ่นรสของภาพยนตร์ ของละครของเสียงดนตรีต่างๆซึ่งเป็นความสุขที่จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาเพราะเป็นความสุขชั่วคราวความสุขประเดี๋ยวประดาวพอไม่ได้เสพเมื่อไหร่ความรู้สึกอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายก็จะผล่ขึ้นมาความเศร้าซ้อยองหงอยเหง า, าก็จะต่อยขึ้นมาคนที่จะเลีกเมี่ยงการเสพรูปเสียงกีดลัด ในรูปแบบของภาพยนตร์ลครดนตรีหรืองานต่างๆงานสังคมต่างๆงานบันเทิงต่างๆงานแต่งงานอะไรต่างๆที่มีการฉลองเฉลิมด้วยการดื่มด้วยการรับประทานอาหารอะไรด้วยการดูการฟังอะไรต่างๆอันนี้เป็นความสุขที่เป็นโทษ เปนความสุดที่ไม่ ย, ยั่งยืนเันความสุขชั่วประเดียวประดาวพอมันผ่านไปมันก็หายไปหมดปล่อยทิ้งไว้ให้มีแต่ความเศร้าซ้าซาอยหงอยหเหงาแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการเสริสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภารวย น้ำมันน้ำหอมอะไรต่างๆด้วยการทำาเผ้วทำผมอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเสริมสวยความงามของร่างกายนี้ไม่ควรที่จะกระทำไม่ควรหาความสุขจากการเสริมสวยความงามเพราะมันก็เป็นของชั่วคราวร่างกายมไม่ช้าก็เร็ว ม, มันก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆต่อไปก็ต้องกลายเป็นคนแก่อยู่ดีดงั้นอย่าไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ ถ้าเวลาไม่สามารถหาได้แล้วมันจะทำให้เศร้าทำให้มีความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนมากเกินไปการหลับนอนควรจะหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายเหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานเพื่อบาบัดความหิวของร่างกาย การนอนก็ไม่จำเป็นจะน้องนอนมากจนเกินไปร่างกายต้องการประมาณสี่ห้าชั่วโมงต่อหนึ่งคืนก็พอเพียงสำหรับการพักผ่อนหลับนอนของร่างกายวิธ mm hmm. ีที่จะทำให้ไม่นอนมากเกินไปก็คือไม่นอนบนนอนที่นอนที่มีฟูกหนาะๆ <c oughs> นอนที่เป็นเตียงสำราญ <c oughs> นอนแล้วมันสุขมันสบาย <c oughs> มันจะทำให้นอนมากเกินไปตามปกติถ้าร่างกายเนยหนื่อยเหนื่อยเมื่อแล้วง่วงนอนถ้านอนก็จะพักประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่พอตื่นขึ้นมาถ้านอนมันพนุ่งแล้วนะที่พุกที่มีความสุขมีความสบายใจก็ไม่อยากจะลุก ใจอยากจะนอนต่อใจอยากจะเสพความสุขจากการหลับนอนของร่างกายแต่ถ้าให้นอนบนที่นอนที่แข็งๆไม่มีฟูกหนาๆมันอาจจะมีฟูกฟองน้ำบางๆหรือปูด้ผ้าหรือปูด้วยเสื่อก็พอถ้านอนแบบนี้พอร่างกายได้พักขอหลับนอยสี่ห้าชั่วโมงแล้วก็จะลุกก็จะตื่นขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะว่ามันไม่สบายก็จะได้ลุกขึ้นมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบจะดีกว่า น, นี่คือหน้าที่ของศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยีิบเจ็ดขึ้นไปนี่จะมีข้อห้ามเหล่านี้อยู่ในศีล ต, ต่างๆเหล่านี้คือในื้อคำว่าการไม่หาความสุขจากรูปเสียงกิจลดผลทัพอะ พอไม่หาความสุขก็จะมีเวลาให้กับการมาจเจริญสัมมถทภาวนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้นิ่งทิ่ทำให้จิตใจมีความสุขนั่นเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรังสุขขงังสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าอยากจะพบกับความสงบที่ยิ่งใหญ่ยั่งยืนถาวร ต้องมาหาความสุขจากการเข้าสมาธิกันจเจริญส ม, มะถะภาวนาเอว่าส ม, มะถะก็แปลว่าความสงบนี่ภาวนาก็คือจเจริญรือสร้างความสงบให้เกิดขึ้นมาภายในใจเรียกว่าส ม, มะถะภาวนาทำใจให้สงบให้เย็นให้สบายให้มีความสุขแล้วถ้าสามารถทำได้บ่อยๆมีความสุขจากการเข้า สมาธิแล้วต่อไปก็เลิกเสกรวบเสียงกลิ่นลดได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหารูปเสียงกลิ่นลดในรูปแบบต่างๆมาเสกกันสามารถอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขได้ไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องมีสังคมไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาไม่ต้องมีอะไรต่างๆที่คนในโลกนี้มีกัน สิ่งที่สิ่งต่างๆที่คนในโลกนี้มีการล้วนเป็นเรื่องของตามะคุณห้าทางเป็นเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆในรูปแบบของคนในรูปแบบของเครื่องใช้ไม้สอยในเครื่อ ง, เ ค, อ ง, เ, คองเครื่องดื่มเครื่องรับประทานเครื่องดูเครื่องฟังอะไรต่างๆหนึ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นการเสส ร, รูปเสียงกลิ่นรสทั้งนั้นพอสามารถทําใจให้นิ่งให้สงบ ให้เกิดความสุขจากการนั่งสมาธิได้แล้วความต้องการในรูปใ น, ในสิ่งต่างๆก็จะหายไปหมดสามารถอยู่คนเดียวในป่าได้ไม่ต้องมีอะไร ม, มาให้เสกเพราะมีของดีของวิเศษที่มีอยู่ในใจของตนเองอคือความสงบที่เกิดจากการเข้าสมาธิการจะเข้าสมาธิ ก็จาเป็นที่จะต้องมีสติเป็นผู้ชักจูงเข้าไปเป็นผู้ควบคุมใจให้เข้าสู่สมาธิถ้าไม่มีสติคอยควบคุมใจใจจะไม่สามารถเข้าสมาธิได้ใจจะเออระเหยจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไปทั้งวันทั้งคืนต้องมีสติผูกใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐาน กรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ที่จะกล่อใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าสู่สมาธิแต่กรรมฐานนี้ต้องมีสติออมีทั้งสติมีทั้งกรรมฐานคู่กันถึงจะสามารถผูกใจให้นิ่งให้สงบไดออ้ถ้าไม่มีสติไม่มีกรรมฐานใจจะคิดเลือเล่อยเปื่อยคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ คิดไปอยู่ทั้งวันคิดไปแล้วก็เกิดอารมณ์ว้าวุ่นขนหัวต่างๆขึ้นมาไม่เคยพบกับความสุขเลยไม่เคยพบกับความสงบเลยถ้าอยากจะให้ใจสงบให้ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบสิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือการเจริญสติให้อยู่กับกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาให้ได้ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลามานั่งสมาธิเท่านั้น ถ้ามันจะเริญนกรรมฐ า, านจะเริญนสติในขณะที่มานั่งสมาธินี้มันจะมีกาลังน้อยมากสติจะไม่สามารถจะดึงใจให้เข้าสู่ความสง บ, บได้ต้องมีสติกำลังมากๆากก่อนถึงจะนั่งสมาธิแล้วเข้าสู่ความสง บ, บได้ดังนั้นจึงต้องสร้างสติกันก่อนก่อนที่จะมานั่งสมาธิ เราสามารถสร้างสติได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาเราก็เริ่มจเจริญ ส, สติให้อยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธก็ได้อันนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งหรือจะดูให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายก็ได้ในทุกิรลียบทไมะว่าร่างกายจะทําอะไรใจต้องอยู่กับร่างกายไปตลอด ไม่สนใจไปที่อื่นไม่สนใจไปอดีตไม่สนใจไปอนาคตไม่สนใจไปหาคนนั้นคนนี้ไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องของร่างกายเพียงอย่างเดียวร่างกายกำลังยืนก็ให้ดูว่ากาลังยืนเข้าดูว่ากาลังยืนอยู่ถ้าเดินก็ต้องเฝ้าดูว่ากาลังเดินถ้านั่งก็ต้องเฝ้าดูว่ากำลังนั่ง กาอาบน้ําก็ต้องเฝ้าดูว่ากําลังอาบน้ำํำล้างหน้าแปรงฟันใจต้องอยู่กิจกรรมของร่างกายเพียงอย่างเดียวอันนี้เรียกว่ากายกตาสติมีสติแล้วก็รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายแต่ถ้าเราใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติเราเราเลิกถึงพระพุทธเจ้า พทธโธก็คือชื่อของพระพุทธเจ้านี่เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพุทธานุสติมีสติแล้วลิกเอยู่กับพระพุทธเจ้าออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก า, กายกายกตาสติก็ได้พุทธานุสติก็ได้หรือบางครั้งอาจจะใช้สองอย่างควบคู่กันไปก็ได้เช่นเวลาเดินจงกรมนี่ตาก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปใจก็บริกรรมพุทธโธไปด้วยก็ได้อื หรือให้ใจให้เฝ้าอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเพียงอย่างเดียวก็ได้<ม>แต่ข้อสำคัญเวลาเดินนี้ต้องมีสติอยู่การเดินเป็นหลักแล้วการใช้คำบริกรรมนี้เป็นเหมือน<ม>เป็นผู้สนับสนุนคอยดึงใจไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นได้<ม>แต่ถ้ามีสติอยู่กับการเดินได้โดยที่ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่จาเป็นจะต้องใช้พุทโธก็ได้<ม>แล้วแต่ นักปฏิบัติต้องพิจารณาเอาว่าอย่างไรเหมาะสมกับการปฏิบัติของตนข้อสำคัญก็คือต้องการผูกใจให้อยู่กับปัจจุบันไม่ให้คิดปุงแต่งให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆพอฝึกสติอย่างนี้ได้ทั้งวันเวลาไหนที่เรานั่งสมาธิเราก็มานั่งหลับตาแล้วก็เปลี่ยนจากการดูร่างกาย เพราะร่างกายไม่เคลื่อนไหวแล้วนั่งกายนั่งเฉยๆแล้วก็มาดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้หรือเราจะใช้พุโทโธต่อก็ได้ถ้าเราเป็นคนชอบใช้พุโทโธเวลาไม่ได้นั่งสมาธิเราก็พุโทโธพุโทโธได้เวลาเรามานั่งสมาธิเราก็ใช้พุโทโธต่อได้ถ้าเรามีพุโทโธแล้วมีการเข้าดูลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างต่อเนื่องใจไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ ใจก็จะนิ่งสง บ, บเข้าสู่สมาธิได้จะเข้าสู่สมาธิต้องอยู่ในท่านั่งถ้าอื่นเข้ายากเพราะว่าถ้าเดินยังมีการเคลื่อนไหวยังมีการกทำอะไรอยู่ถ้าอยากจะให้ใจนิ่งร่างกายต้องนิ่งก่อนเพราะร่างกายที่ไม่นิ่งที่เคลื่อนไหวเพราะใจเป็นผู้สั่งให้เคลื่อนไหวใจยังต้องทำงานอยู่ยังต้องกำกับการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่ ถ้าต้องการให้ใจหยุดทำงานก็ต้องทำให้ร่างกายนิ่งก่อนนั่งเฉยๆพอร่างกายนิ่งเฉยๆแล้วทีนี้ก็ใจก็จะได้ไม่ต้องมาสั่งการที่ร่างกายให้ร่างกายทําอะไรใจก็จะได้ถูกสติหยุดคิดได้อย่างอย่างเต็มที่การนั่งสมาธิดีต้องมีสติที่ต่อเนื่องเรียกว่าสติสัมปชัญญะ ไม่พังไม่เผลอไม่ไปคิดเรื่องนั้นไม่ไปคิดเรื่องนี้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคต<ม>ให้รู้เฉยๆถ้าทำอย่างนี้ได้เวลานั่งสมาธิใจจะนิ่งใจจะสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้น<ม>เวลาใจนิ่งใจสงบเกิดความสุขเราก็ไม่ต้องทำอะไรให้มีสติคอยคอยคุมใจอย่าให้คิดเท่านั้นเอง ไม่ต้องตอนนั้นไม่ต้องใช้พูดโทรก็ได้ไม่ต้องดูลมก็ได้ถ้ามันนิ่งแล้ว <c oughs> แต่ตอนนั้นก็ยังต้องมีสติเท <c oughs> ้าดูความสงบของใจไปแล้วก็ถ้าใจเริ่มคิดก็ถ้าอยากจะให้สงบต่อไป <c oughs> ก็หยุดความคิดนั้นอย่าปล่อยให้คิด <c oughs> แต่ไม่ช้าก็เร็วกำลังของสติก็จะน้อยลงไปแล้วความคิดมันก็จะโผล่ <c oughs> ขึ้นมามากขึ้นมากขึ้น จนในที่สุดก็จะหยุดนั่งต่อไปไม่ได้ก็ต้องถอนออกจากสมาธิมาพอถอนออกจากสมาธิมาความสงบความสุข ท, ที่ได้จากสมาธิก็จะค่อยๆจางไปหายไปพอจะเริ่มมีความคิด ม, มีการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอมีความคิดรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสก็จะมีกิเลสโผล่ขึ้นมามีความโลภความอยาก มีความโกรธมีความไม่พอใจโผลขึ้นมาคพามกิเลสโผขึ้นมาความเย็นความสนกของใจก็จะหายไปความร้อนความวุ่นวายใจก็จะโผล่ขึ้นมาแทนถ้าอยากที่จะไม่ให้ใจวุ่นวายไม่ให้ร้อนก็ต้องกาจัดกิเลสให้ได้และผู้ที่จะมากาจัดกิเลสก็คือการปฏิบัติมิปัฏนาภาวนาเนี่ ในตอนที่เราจะปฏิบัติวิปัสสนาได้นี้เราต้องมีสมรรถภ า, าวนาก่อนมีสมาธิก่อนถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกําลังที่จะไปสู้กับกิเลสเวลาที่เราจะริ่มวิปัสสนาเราเห็นว่าตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความมุ่นหายใจคือคือกิเลสความโลภความอยากต่างๆและถึงแม้เราจะรู้ว่าความสุขที่เราได้จากความโลภความอยากจะเป็นความสุขแบบชั่วคราว ที่ทำให้กลายเป็นความทุกข์ต่อไปเราก็ไม่มีกําลังที่จะหยุดมันได้เราต้องมีสมาธิก่อนเราสามารถเข้าสมาธิได้ก่อนแล้ว เ, เราถึงจะสามารถที่จ ะ, จะเจริญวิปัสสนาภาวานานต่อไปได้วิปัสสนาก็คือให้สอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่เราโลภสิ่งที่เราโลภอยากได้อยา่างมีอยากเป็นนี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่ยั่งยืนถาวร ไม่ได้เป็นความสุขที่สามารถเราเก็บเอาไว้เป็นของเราได้มันเป็นของชั่วคราวมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเวลามันไปมันก็จะทำให้เราเศร้าสร้อ ย, อยงอเหงาถ้าเราไม่อยากจะเศร้าสร้อ ย, อยงอเหงาเราก็อย่าไปทำตามความอยาก อ, อยากดื่มกาแฟก็อย่าไปดื่มอยากจะดูอะไรก็อย่าไปดูตัดมันเสีย พอเราไม่ทาตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะไม่มาต่อไปเห็นกาแฟก็ไม่ก็ไม่ยินดียร้าย mm hmm. เห็นเห็นละคร mm hmm. เห็นภาพยนตร์ได้เสียงดนตรีใจก็เฉยเฉยไม่ติดมันแล้วเพราะถ้าเราหยุดความอยากได้อยากดูอยากฟังได้อยากกินอยากดื่มได้ mm hmm. ต่อไปความอยากเหล่านั้นก็จะหายไป ไปเราเห็นอะไรได้ยินอะไรได้ฟังอะไรรับรู้ก็เฉยๆไปได้ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไม่กังวลกังวยใจต่อไปเพราะใจเราไม่มีความอยากแล้วก็ใจของเรามีความอิ่มพอเวลาความอยากหมดไปความอิ่มก็โผล่ขึ้นมาแทนที่ความอิ่มความพอก็โผล่ขึ้นมาแทนที่ใจก็ไม่ต้องดื่มอะไรไม่ต้องเสพอะไรต่อไป เพราะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจและเมื่อไม่มีความอยากมันก็จะไม่มีการมาเกิดเด็กต่อไปด้วยเพราะเหตุที่พายเรามาเกิดเพราะเรามีความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสการอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายเราก็ต้องมีร่างกายพอร่างกายที่เรามีนี้ตายไปเราเป็นดวงวิญญาณเราก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่เพราะเรายังอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ แต่ถ้าเราหยุดความอยากจะเสพลูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้แล้วเราก็จะไม่ไปรอรับร่างกายอีก mm. เพราะไม่มีความจําเป็นจะต้องมีร่างกายกต่อไปแล้ว mm. สามารถอยู่เป็นดวงวิญญาณอย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมื อ, อต่อไป mm. mm. เมื่อไม่มีร่างกายไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็จะไม่มีตามมา mm. ความทุกข์ก็จะไม่มีตามมา mm. ทุกก็คือทุกก็จะหมดไปทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นจะไม่เกิดก็ต้องละความอยากต่างๆให้ได้จะละความอยากต่างๆได้ต้องเห็นเห็นตายละเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่อยากได้เพ่าทุกสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกว่าเป็นของชั่วคราวบนิจจังทุกว่าเราไม่สามารถเก็บไว้เป็นของเราได้เป็นอนัตตา ันี่ต้องเห็นตายร mm. ักษในทุกสิ่งนี่เห็นตายรักษในรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้เศษเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วเราไม่สามารถเก็บมันไว้ให้อยู่กับเราไปตลอดได้ไปเที่ยวก็อยู่กับเราเดี๋ยวเดียวพอเราเลิกเที่ยวมันก็หายไปไปดูหนังมันก็อยู่กับเราตอนที่เราดูพอเราเลิกดูหนังปั๊บมันก็หายไปของทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวให้ความสุขแบบแบบควันไฟมาแล้วก็หมดไป ถ้าเห็นด้วยปัญญานี้เรียกว่าวิวปัสนาแล้วเิความอยากได้อยากมีอยากเป็นได้ใจก็จะไม่มีความอยากหลงเหลือในใจในใจต่อไปใจก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนี่คือการพัฒนาจิตใจด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาส ม, มถภาวนาและวิปัสนาภาวนาตามลําดับอยากข้ามขั้นต้องส ม, มถาก่อน ต้องทําใจให้สงบก่อนเราถึงค่อยไปวิปัสสนาแล้วก่อนจะได้สมถะก็ต้องเจริญสติก่อนแล้วก่อนจะมีเวลามาเจริญสติก็ต้องปฏิบัติเนคขมมะก่อนต้องถือศีลแปดขึ้นไปลาเว้นการนะเอาเวลาไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหยุดดูหนังฟังเพลงอยู่การกินกันดืแบบไม่มีวลัเวลาหยุดเล่นกับนอนกับแฟนเป็นต้น จะได้มีเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิแล้วพอได้สมาธิแล้วออกจากสมาธิมาก็จะได้เจริญปัญญาต่อไปตามลาดัแบบต่อไปใจกจ็จะเจริญเต็มที่เป็นใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจของพระหลานตัสาวกนี่นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาจิตใจ โดยการเจริญจิตภาวนาเป็นหลักโดยมีการปฏิบัติศีลเนคขมะเ ป, เป็นผู้ให้การสนับสนุนมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะได้สมาธิแล้วก็จะได้วิปัสสนาได้ปัญญาตามลําดับต่อไปนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้แล้วเราก็จะมา ปฏิบัติทมกันมาสร้างความสงบให้กับใจสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นภายในใจของเราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปอาศัยสิ่งต่างๆภายนอกไม่ต้องไปหาอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ต้องอาศัยลาบยศสารเสริมมาให้ความสุขกับเราเราสามารถมีความสุขที่ดีกว่าได้ด้วยการทำใจให้นิ่งให้สงบ ต้องมีสติและเลือกรู้อยู่กับกรรมฐานตลอดเวลาเวลานั่งสมาธิเราชอบกรรมฐานแบบไหนก็เลือกใช้ได้ใช้คำบริกรรมพุทโธก็ได้ใช้การดูลมหายใจก็ได้หรือเรามีวิธีอื่นก็ใช้ได้ทั้งนั้นถ้ามันทาให้ใจสงบได้บางท่านก็จะใช้อาการสามสิบสองบางอาการก็ได้บางท่านก็เพ่งดูลองกระดูกก็ได้บางท่านก็เราเลือกถึง พุทธธ ร, รมานุสติก็ได้สังขานุสติก็ได้แล้ว เ, เลิกถึงครูบาอาจารย์ก็ได้แล้ว เ, เลิกถึงคําสอนส่วนบทอิติพิโสไปก็ได้ส่วนมนตไปก็ได้เครื่องมือเหล่านี้เป็นกรรมฐานที่จะดึงใจให้นิ่งให้สงบได้แล้วเราถนัดกรรมฐานแบบไห น, นเราก็ใช้กรรมฐานแบบนั้นแต่เราต้องมีกรรมฐานมีสติถูกใจให้อยู่กับกรรมฐานให้เราเลิกรู้อยอยู่กับกรรมฐาน อย่าเผลออย่าไปคิดเรื better, account, ่องอื hmm. variable, ่นมีอะไรเข้ามาก็อย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจมีเสียงเข้ามาก็ไม่ต้องสนใจมีลมพัดเข้ามาก็ไม่ต้องสนใจมีรูปปรากฏขึ้นมาในใจก็ไม่ต้องสนใจมีอารมณ์อะไรปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องสนใจให้อยู่กับกรรมฐานไปเพียงอย่างเดียวถ้าใช้พุทโธก็อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นถ้าดูลมก็ดูลมอย่างเดียวไม่ไปสนใจอะไรทั้งสิ้น ถ้าทำแบบนี้ได้เดี๋ยวใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบได้วันนี้เราจะมานั่งสมาธิกันประมาณสัก26นาที27นาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิโกโปรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีให้จดจําวิธีนั่งของวันนี้ไว้ คราวหน้าเวลานั่งก็ใช้วิธีนี้ต่อไปได้เลยก็จะไ ด, ไ, ดได้ได้ความสงบเหมือนวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้เพราะมันจะไม่สงบด้วยความอยากถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีน้อยก็ควรหมั่นจเจริญสติในระหว่างวันให้มากก่อนที่จะมานั่งเราสามารถจเจริญสติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ว่าจะทําอะไรก็พุโทโธไปหรือดูการกระทําไป ถ้าต่อไปเราจะมีสติที่มากขึ้นกาะนั่งสมาธิก็จะสงบได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พล อ, อยยะท้ า, ทาวะเรวาหาปุราปลาปลิกุลเณนติสาขลังเอวามวาอิโตจินังเตตานาังอุ ป, ปกั ป, ปติ อิติตางปฏติตางตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปเลนตุสังกปาจันโทปนะระศโยทามณิโชติรัศโยทาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโขวินาสตุ มาเตภวตวันตาลาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาสีลิกสานิจังวุธาปจายโนยะตาโรธรมมวาทานติอายุวันโอสุขงังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 271เจ็ดสิบอ็ดท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุ ช, ชาติสามร้อเก้าท่านทาง y o u t u ดรดกตวีสิบเจดท่านทางขับเฮาส์เจดท่านทางวิทยุออนไลน์5ท่านผู้รับฟังหน้ากุติเก้าสบสองท่านรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยหนึ่งท่านครับ คลาบในวัศการพระอาจารย์เจ้คาค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมานุกุติถามเข้ามาว่าพุทโธถีต้องถีแค่ไหนถึงเป็นการไม่ประมาทคณบผมคือถีหรือไม่ถีไม่สำาคัญแต่ถ้ามันมีทั้งวันช้าบ้างเร็วบ้างก็ได้้แวแต่เราจะเหมาะสมกับเราบางทีอยาให้มันเร็วบางทีจิตมันดือ้อก็อาจจะบริกรรมให้มันถี ถ้าไมไม่ดื้ก็บริกรรมแบบสบายๆข้อสำคัญก็คืออย่าอย่าเผล อ, อย่าทิ้งพุโทโธทำได้ทั้งวันนี้จะดีมากแล้วเวลานั่งสมาธิจะสงบได้ง่ายเจ้าค่ะจากเฟ e บุ o k เจ้าค่ะข อ, อน้อมกราบเย น, นถามหลวงพ่อเจ้าค่ะไม่ว่าเราจะทำความดีที่ตรงไหนบุญอันนั้นก็ยังเป็นของเราอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่บุญมันอยู่ในใจเราการกระทำที่ดีมันจะทำให้เกิดบุญขึ้นมาในใจของเราทำบุญมันมีหลายชนิดด้วยกันทำได้หลายรูปแบบด้วยกันแต่ี้ก็คือความสุขใจอิ่มใจก็จะเกิดขึ้นที่ใจของเราจากย t u b e เจ้าค่ะกราบนันทสการหลวงพ่อครับถ้าเราเคยกระทำไม่ดีต่อพระรัตนไตย ด้วยความไม่รู้ความเป็นเด็กตอนนี้เราจะทำสิ่งใดได้บ้างนอกจากการสวดขอออกมารารตนตะไตครับก็ให้สำนึกผิดแล้วก็อย่าไปทำซ้ำอีกเท่านั้นเองอดีตมันผ่านไปแล้วเราทำอะไรไม่ได้แก้ไม่ได้นะ ค่ะแล้วคูบาจารย์พระสุปฏิปโนที่เราอาจเคยล่วงเกินท่านถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เราควรไปขอขมากับตัวท่านหรือตั้งจิตขอขมาก็พอครับ<ช>แล้วกับหลวงพ่อถ้าผมอาจจะเคยพลาดไปมผมสามารถเข้ามาขอขมากับหลวงพ่อได้ไหมครับรไม่ต้องเข้ามาหรอกขอเราทําผิดที่ที่ใจเราเราแก้ที่ใจเราพอคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องของเราหรอก สักาจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะในขณะที่พระสวดยะถาเราจะแผ่เมตตาด้วยการท่องพุทธพุทธงอนันตังธรรมังแผ่ทั่วจั ก, กรวาลังสังคังแผ่ทั่วพระนิพพานังปัจโยโหตุนปัจโยโหตุเตได้หรือไม่คะมีผลไหมคะจะทำอะไรก็ได้หรอมันเป็นแค่พิธีกรรมแต่ตามหลักของพิธีกรรมเวลาพระ สวดยถ า, านี่เป็นช่วงที่ท่านบอกเราว่าบุญที่เราทํานี่เราสามารถอุทิศให้กับผู้ร้องรับไปแล้วได้ช่วงนั้นถ้าเราอยากจะอุทิศบุญก็อุทิศช่วงนั้นพอพระบอกยะถาสัพพิยถ า, าวาลีวาหาไปนี้่ล้วก็ขอทิศส่วนบุญนี้ให้กับคนนั้นคนนี้เจ้า ก, กรรมนายเวไรไปพอท่านเริ่มส่วนสัพพิเตโยอันนี้ท่านให้พรแล้วท่านให้พรเราก็หยุด ุทศบุญได้แล้วถ้าเราใช้วดใช้เครื่องกดน้าก็วางไว้เฉยๆแล้วก็พนมือรับพรไปการการให้พรของพระมีสองท่อนยาถาให้ผีสพีให้คนใข้าใจยถาว่าอุทิศบุญให้คนตายสัพีนี้ให้พรคนคนที่รับฟังอยู่ในยาถาสัพพียาถาให้ผีสพพีให้คนเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะ แต่าการอุทิศบุญจริงๆนี้ไม่ต้องรอให้พ้ามาสวยก็ได้เราใส่บาตรตอนเชา้าปั๊บเสร็จแล้วเราก็อุทิศได้เลยเรื่องถึงคนที่เราอยากจะส่งบุญไปให้บุญนั้นก็จะไปสู่บุคคล น, นั้นทันทีส่วนบุคคล น, นั้นจะรับหรือไม่รับก็อยู่ที่ฐานะของเขาถ้าเขาไม่หิวบุญเขามีบุญหลอดเลี้ยงจิตใจของเขาเขาก็จะไม่ต้องมาขอรับจากเราแต่ถ้าเขาหิวบุญ เขาไม่มีบุญกินบุญไปเหมือนอาหารของดวงวิญญาณเขาก็จะมารอรับฝืนบุญพอเราอุทิศไปเขาก็จะได้รับบุญเรื่งนั้นไปทันทีถ้าเราไม่อุทิศเขาก็รับไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ปล่อยปล่อยบุญที่เรามีอยู่ไม่ได้ส่งไปเราต้องการส่งไปเราต้องการให้เขารับเราต้องส่งไปให้เขาก่อนส่วนเขาจะรับไม่รับอยู่ที่ว่าเขาเหิวบุญหรือไม่หิวบุญถ้าก็อินบุญเขาเป็นเทวดาเขาก็ไม่มารอรับบุญ ถ้าเขาหิวมุนเขาเป็นเปรตเขาก็จะมารอรับบุญเจ้าค่ะคุณทีร์คธนาถามเข้ามาว่าถ้าเราใช้ชีวิตโลกสามสิบทำเจ็ดสิบอยู่ในทานศีลภาวนาแต่ก็ยังใช้ชีวิตทางโลกผลลัพธ์พอเพียงให้เราร่มเย็นเป็นสุขได้แต่ถ้าเราต้องการพ้นทุก์สงบร่มเย็นมากขึ้นไปก็ต้องเข้าธรรมให้ได้ร้อยเอร์เซ็นต์ใช้ไหมครัค่ะก็ในที่สุดเราก็ต้องเข้าธรรมถ้ า, าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เพราะทางโลกมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นอ่ะแม้กระทั่งหนึ่งเปอร์เซ็นก็ยังเป็นทุกข์อยู่ทุกหนึ่งเปอร์ซนถ้าอยากจะไม่ทุกข์เลยก็ต้องเข้าทางธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ไปบวชี่จาก facebook เ, เจ้าค่ะเวลาเดินจงกรมต้องบริกรรมซ้ายขวาซ้ายขวาหรือพุทโธพุทโธหรือนรลมหายใจครับหรือว่าต้องบริกรรมว่าเดินหนอเดินหนอเดินหนอครับผมแล้วแต่เราจะ พอใจโดยหลักก็ให้เดินดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือว่าจะบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปก็ได้แล้วแต่เราจะชอบแต่ไม่ควรดูลมลมดูยากตอนเดินดูเท้าเดี๋ยวดูการเดินดีกว่าดูไปข้างหน้าด้วยว่าข้างหน้ามีอะไรมีหินมีหลุมมีบอ่อหรือเปล่าไม่ได้เดินไปแล้วก็ไม่มองข้างหน้าเดี๋ยวก็ไปเตะหินบ้างไปเดินสะดุดกับเก่งไม้บ้างอะไรเป็นต้น ต็มีสติรอบรอบคอบด้วยรอบรู้ด้วยการเดินของเราเราเดินไปข้างหน้ามีอะไรอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าแต่ใจเราไม่ส่งไปที่อื่นเขงให้อยู่กับการเดินให้อยู่ในปัจจุบันยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะการเดินจงกงก็เป็นการจเจริญสติอย่างหนึ่งจำเป็นต้องมีสติมากๆถึงจะนั่งสมาธิได้ ถ้าไม่มีสติคอยควบคุมใจใจก็จะคิดเรื่อยเปื่อยเวลามานั่งสมาธิมันก็จะไม่ยอมอยู่กับลมไม่ยอมอยู่กับพุโทโธมันก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเราต้องหยุดความคิดต่างๆไว้ก่อนให้ได้ก่อนที่เราจะมานั่งเพื่อให้มีความคิดบ้างแต่ให้ไม่มากให้มันน้อยจนกระทั่งเราสามารถหยุดมันได้ถ้าอย่างนั้นเราจะนั่งสมาธิไม่มีผลแต่ถ้ามีสติควบคุมความคิดได้ 90% ออย่างนี้ แ, แค่สิบเปอร์เซ็นเวลามานั่งนี่มันก็ง่ายที่จะทำให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นขึ้นมาจีก็จะสงบได้ทันทีมีผู้ติด ต, ตามผู้ติด ต, ตามสอบถามกล่าวนามสการพระอาจารย์ค่ะยงขออนุญาตสอบถามหน่อยนะคะนรกสวรรค์ของคนชาติต่างๆค่ะเหมือนกันไหมคะอยู่ในใจของทุกคนเหมือนใจของคนทุกคนเหมือนกัน ใจไม่มีชาติไม่มีเชื้อไม่มีวังหนะตไม่มีอะไรใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สร้างบุญผู้สร้างบากระบากระบนก็อยู่ในใจของผู้ผู้สร้างบุญสร้างบาสนะั้นบาปก็คือความทุกข์ใจผลของบาวก็คือความทุกข์ใจบุญก็คือความสุขใจงั้นคนทุกภพคนทุกชาติทุกชั้นทุกประเทศนี้มีมีสุขใจมีทุกข์ใจเหมือนกันอันนะั้นเกินนรกแล้สวรรค์เวลาทุกข์ใจก็เป็นนรกแนละ้ว เวาสุขใจก็เป็นสวรรค์ค่ะแล้วแบบที่เขาบอกรูปร่างเทวดานางฟ้าอะไรที่มันมีความแตกต่างกันอะไรเงี้ยเกิดจากการปรุงแต่งละคะอันนี้ต้องไปดูเองดีกว่าเพรไม่อยากจะตอบถ้เหมือนเราเรานอนหลับฝันไปนะ่ะเราฝันแล้วก็เห็นอะไรต่างๆแต่ละคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันเพราะประสบะการณ์ที่เราผ่านมาไม่เหมือนกันนะเ<อ>าารเาเอาประสบะการณ์ของเก่ามาผสมปรุงแต่งใหม่ เหมือนกับมามามนมาเล่นละครใหม่มาจัดละครใหม่จัดฉากใหม่ถ้าเรามีเรื่องที่ดีเราก็จะเอาเรื่องที่ดีมามามาแสดงถ้ามีเรื่องที่ไม่ดีเราก็จะเรื่องที่ไม่ดีมาแสดงเรื่องที่ไม่ดีก็เกิดจากการทำบาเรื่องที่ดีก็เกิดจากการทำบุญ้เวลาทำบุญเราก็จะฝันดีเพราะมีแต่เรื่องที่ดีเวลาเราฝันร้ายก็แสดงว่านั่ะคือบาปผลของบาปที่เราได้สะสมไว้ ไปเก็ไปทะเละกับคนนั้นไปด่าคนนี้ไปแยกงผัวคนนั้นแยกเมียคนนี้เนี่ยมันก็จะมาโผขึ้นมาในฝันเนี่ยเจ้าค่ะกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะพอรจะเข้าใจค่ะเวลาเราตายไปแล้วก็เข้าสู่โลกของความฝันโดยมีบุญหรือ บ, บาปเป็นผู้สร้างความฝันให้กับเราอถ้าเรามีบุญเยอะบุญก็จะเป็นผู้สร้างความฝันเราก็จะอยู่เนี่ยเราก็เรียกว่าสวรรค์เพราะมีแต่เรื่องดีๆ เรื่องที่มีแต่ความสุขอต่ถ้าบาปเป็นผู้สร้างถ้าบาปมากกับบุญบาปก็จะเป็นผู้สร้างความฝันให้กับเรามันก็จะมีเรื่องเหตุการณ์ไม่ดีอย่าเช่นสงครามฆ่ากันฟันกันแข่งแงนะย่งชิงดีกันต่างๆนี่มันเกิดจากการกระทําของเราในขณะที่เราเป็ชีวิตอยู่จากยุโธปชากราบเรียนพระอาจารย์การเคลื่อนดูจิตดูร่างกายเห็นเวทนา เกิดดับถือเป็นการเจริญสติหรือเปล่าครับแล้วแต่ถ้าดูร่างกายนี้ก็เป็นการเจริญสติถ้าดูเฉยๆอย่าคิดอะไรถ้าคิดว่าร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างนี้ก็เรียกเป็นการเจริญปัญญาหรือเจริญวิปัสสนาเราต้องการจะดูสิ่งที่เราทุกข์ว่าทำไมเราถึงทุกข์กับมันเช่นร่างกายนี้ทำไมเราถึงทุกข์กับมัน ทุกเวลามันแก่เราก็ทุกเวลามันเจ็บเราก็ทุกเวลามันตายเราก็ทุกทำไมเราต้องทุกข์กับมันด้วยแล้วค้นหาสาเหตุดูสาเหตุก็คือเราไม่อยากให้มันแก่เราไม่อยากให้มันเจ็บเราไม่อยากให้มันตายมันก็เลยทําให้เราทุกข์ขึ้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็เราก็ต้องยอมรับความจริงมันจะแก่ก็ต้องปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไป ถ้าเราปล่อยได้เราใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันที่เราให้พิจารณาเพื่อให้เห็นว่าร่างกายมันของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราห้ามมันไม่ได้ถ้าเราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะทุกข์เราจะสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ไดไม่ให้ดูแลนะดูแลได้ก็ยังดูแลต่อได้ มันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปรักษาพยาบาลได้แต่ถ้าไม่อยากจะรักษาพยายามได้ก็ดีปล่อยให้มันปล่อยให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ต้องวุ่นวายกับการต้องไปซื้อประกันชีวิตประกันอะไรต่างๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่กับมันไปไม่ทำไปรักษาไม่ต้องไปโรงพยาบาลใช้ธรรมโอสสรักษาใจใจปล่อยวางเพราะยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องเจ็บ ไปโรงพยาบาลกี่คนรักษาหายกี่คนมันก็ต้องกลับไปอยู่เรื่อยเพราะมันไม่มีรักษาที่จะหายได้อย่างหายขาดเพรานั้นถ้าขี้เกียจไปรักษาหลายรอบก็ปล่อยมันเอาเอารอบเดียวให้มันตายรอบแรกไปเลยจบมันต้องมาโชกันสิบรอบในที่สุดแล้วก็แพ้มันอยู่ดีเพราะฉะนั้นยอมยอมให้มันนองตั้งแต่รอบแรกเลยดีกว่าจะให้จบได้ง่ายดีแต่อย่าไปฆ่าตัวตายท่านฆ่าตัวตายเป็นบาปนะ อยาถ้าปล่อยให้มันเจ็บแล้วให้มันตายไปเองไม่รักษามันนี่ไม่บาปนะยอมรับความจริงสักค่ะจาก youtube ค่ะการอ่านพุทธประวัติหรือคิดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าถือเป็นพุทธานุสติไหมครับเป็นเป็นการเป็นการศึกษาความจริงของพระพุทธเจ้าว่าเป็นยังไงเพื่อให้เกิดศรัทธาความเชื่อ ว่าบุคคลที่เราเคารพนับถือนี่มีจริงไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องนิยายแต่งกันขึ้นมาแล้วมันจะทําให้เรา ม, มีมีตัวอย่างให้เราสามารถที่จะพยายามทําตัวเราให้เหมือนท่านให้ได้ในการเสริมเสริมศรัทธาให้มีความแก่กล้าเมื่อมีศรัทธาแล้วเราก็จะได้เชื่อคําสอนเราก็จะได้ปฏิบัติตามคําสอนได้อย่างไม่ลังเลสงสัย สคัดจากยูทูบสักกราบในวัช ก, การเรียนถามครับจิตเห็นจิตมีสติเกิดปัญญาเป็นมักจิตวางจิตลงเป็นอุเบกขาเป็นผลถือว่าจิตนั้นเกิดนิโรธแล้วถูกต้องไหมครับเอออย่าไปพูดอย่าไปสนใจเลยทําให้มันเกิดถเถอะส่วนใหญ่พวกนี้ก็โวหารนั่งนั่งปรงแต่งกันขึ้นมาแล้วก็นั่งเกาหัวกันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมปฏิบัตรริดีกว่า ปฏิบัทิทำจิตให้สงบให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่ต้องไปถามใครถามยังไงมันก็ไม่เป็นจริงขึ้นมาในใจเราหรอกมันจะเป็นจริงแต่เมื่อเราได้ปฏิบัติสมถะภาวนานั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบไม่ชอบทํากันชอบคิดกันแล้วก็คิดว่าการคิดจะทําให้เราบรรลุธรรมกันบนรรลุไม่ได้มันต้องทํากันต้องทําจิตให้สงบให้เป็นอุเบกขาขก่อน แล้วเมื่อจิตมีอยู่เบกขาแล้วก็จะจิตก็จะสามารถหยุ ด, ยดกิเลสได้รับความจริงได้รับความแก่ความเจ็บความตายได้เจ้าค่ะยังไม่มีเลยอ่านใครเมื่อกี้อยากจะถวายของข้าเข้ามาได้ยังยังไม่มีคําถามนะยังไม่มีเจ้าค่ะอ บางทีอ่านหนังสือธรรมะ ม, มากเกินไปมันก็ทําให้เราฟุ้งซ่านได้ดงนั้นให้ศึกษาเฉพาะวิธีที่เราจะต้องทําก็พอเช่นจเจริญสติอย่างไรนั่งสมาธิอย่างไรส่วนผลนี่อย่าไปคาดใคนให้มันเสียเวลาคาดยังไงมันก็ไม่ตรงออกับความจริงให้มันปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นกับเราของกับใจของเราเองแล้วเวลาเราไปอ่านเรื่องของผลเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดกับ สิ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้วตรงกันหรือไม่เหมือนกันหรือไม่ถ้าตรงกันก็แสดงว่าคนที่เขาพูดก็เขาก็คงจะเจอแล้วถ้าแต่งมาพูดอย่างนี้ได้แต่ถ้าเขามไม่ตรงกานก็แสดงว่าเขาอาจจะโมเมก็ได้ดังนั้นอย่าไปสนใจกับการพูดของคนอื่นมากเกินไปยกเว้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นนี่ไม่รู้ว่าเขามีเจตนาอะไรใจเขาสะอาดบริสุทธิ์หรือไม่เขาได้ปฏิบัติจริงหรือไม่ไม่มีใครรู้ ฟังหูไห้หูเรื่องการอ ม, มาสูุขอย่าไปเชื่อทันทีที่เขาพูดอะไรก็เชื่อขึ้นมาทันทีเอาไปฏิสูจน์ก่นว่าสิ่งที่เขาพูดนี้เป็นไปเป็นจริงเหมือนที่เขาพูดหรือไม่เป็นคำถามเหรอน่าเชิญการธรรมสถานพระาจารย์ข อ, อการครูอาจารย์สอบถามเรื่องอารมณ์นะครับ อารมณ์โกรธอารมณ์โทสะเนี่ยเวลามันเกิดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยสติมันตามไม่ทันอย่าเงี้ยมันมีวิธีที่จะทําให้เ อ, อระงับความโกรธได้ได้ได้ทันมีวิธีที่จะทําก็ตอนนึงสติขึ้นมาเล้วพุนานพุโทโธไปเลยพอ ร, รู้ว่าโกรธล้วก็พุโทโธพุทโธไปเลยอยู่ความโกรธม่นก็จะอยู่ไปผมผมลองทําแล้วมัน บางทีมันไม่มันก็ไม่ไม่ยอมลงครับน้อยไปไมันกินยากินยาแค่เม็ดเดียวมันจะให้หายปวดทันทีไม่หายต้องกินไปสองสามเม็ดสี่ห้าเม็ดกินไล่ไปเรื่อยๆอากว่ามันจะหายช่วงที่เวลาเราโกรธใช่ไหมครับอถ้าช่วงที่ยังไม่โกรธก็วิธีแก้ไม่ให้มันกันไม่ให้มันโกรธก็คือความโกรธมันเกิดจากความอยากของเราอยากได้นู่นอยากได้นี่พอเราไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธขึ้นมา ความโกรธตรงนั้นมันไม่ไม่ใช่ว่าอยากได้มันโกรธจากเกิดจากอารมณ์ที่คนอื่นเข้ามาพูดแล้วไม่เข้าหูแล้วก็นั่นแหละก็อยากเข้าหูก็อยากให้มันเข้าหูไงพอเขาพูดไม่เข้าหูก็โกรธก็ขึ้นมาทั้งๆไม่รักนั่นแหะเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็โกรธอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปเถอะเขาจะพูดยังไงจะเข้าหูไม่เข้าหูก็เรื่องของเขาไปล้วห้ามเขาไม่ได้ก็ตรงนี้อยาก ขอทําแนะนําครับก็ได้มาแนะนำน ะ, <c oughs> นะบออย่าไปอยาก <c oughs> คือคือพุโทโธอย่างเดียวใช่ไหมครับที่จะไปะสะกัดกั้นความโกรธตรงนั้นไม่ตอนที่มันเกิดแล้วก็ใช้พุโทโธแต่ก่อนที่มันจะเกิดก็อย่าไปหวังอะไรจากใคร อ, อย่าไปต้องการอะไรจากใครครับเขาจะพูดดีพูดไม่ดีก็เรื่องของเขาครับแล้วเราจะไม่โกรธเขาครับกว่าสันโดษยินดีตามมีตามเกิดพูดดีก็ได้พูดไม่ดีก็ได้สรรเสริญก็ได้ดินทาก็ได้ครับ พูดเข้าหูก็ได้ไม่เข้าหูก็ได้แล้วอาจจะไม่โกรธใครนะฮัดยินดีตามมีตามเกิเดอย่าไปจู้จี้จุกจิกต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นตามที่เราต้องการมันก็โกรธขึ้นมาเข้าใจอย่างเข้าใจสาธุ ค, ครับ คุณที่คัทานาค่ะมีคำถามข้อที่สองพิจารณาแต่ละวันของมนุษย์จิตเกิดดับทั้งวันเดี๋ยวสุขใจเดี๋ยวรำคาญใจเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเฉยๆเห็นแบบนี้วนไปมาแต่โชคดีที่มีธรรมะอุเบกขาเข้าใจจิตว่าเป็นเช่นนั้นเองพอเข้าใจกับทุกอย่างก็เลยยอมหยุดเย็นใจก็มีความร่มเย็นเป็นสุขได้ง่ายว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะ ถ้ามันยังทุกอยู่ยังต้องจะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ยังไม่ถูกมันต้องกําจัดความทุกจากเรื่องราวเหล่านี้ได้แบบเบ็ดเร็จพอเห็นว่ามันเป็นไม่เที่ยงก็ไม่ยึดไม่ติดกับมันแล้วไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปถ้ายังทุกข์กับมันอยู่เรื่อยๆก็แสดงว่ามันแค่เป็นการการใช้ความคิดสู้กับมันมันไม่ได้ใช้การปฏิบัติสู้กับมันไม่ได้ใช้อุเบกขาไม่ได้ใช้สมาธิสู้กับมันสู้ไงมันก็ไม่มีวันจบถ้าสู้แบบนี้ แต่ถ้าใช้สมาธิช่วยสู้ออกมาเนี่ยพอมันดับแล้วมันดับเลยมันไม่กลับมาอกจากยู u ูบเจ้าค่ะถ้าปฏิบัติเองที่บ้านขอทราบข้อควรระวังไม่ให้การภาวนาของเราเป็นมิจฉาสมาธิด้วยค่ะกราบพระคุณเจ้าค่ะก็ให้รู้ว่าสมาสมาธิเป็นยังไงสิถ้ารู้วิธีถูกเป็นยังไงมันก็ไม่หลงถ้าไม่ศึกษามันก็ไม่รู้มันก็หลงได้ ก็า้องไปศึกษาดูสิสมาธิเขานั่งกันยังไงทไํงายังไงนั่งเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นมาการอยากได้สิ่งของแต่เราไม่ยึดติดว่าต้องเป็นของเราตลอดจะเสียไปก็ได้ยังถือว่าเป็นการยึดอยู่ไหมครับอาถ้าไม่ยึดก็ไม่อยากได้สิถ้ายังอยากได้มันก็ยังยึดอยู่แล้ว กรรมกําหนดอย่างไรว่าเราเกิดมาเป็นเพศชายหรือเพศหญิงครับความชอบไงถ้าชอบผู้หญิงแล้วว่าเป็นผู้ชายถ้าชอบผู้ชายแล้วก็เป็นผู้หญิงไงสขายยังไม่มีคําถามเข้ามาสกายเพศมันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราชอบผู้หญิงเราก็จะต้องเป็นผู้ชายถ้าเราถ้าใจเราชอบผู้ชายเราก็ต้องเป็นผู้หญิง แต่เพียงแต่ว่าการผลิตการจับคู่ระหว่างใจกับร่างกายนี้บางทีมันเกิดการผิดพลาดได้คือใจเป็นผู้ชายแต่ไปได้ร่างกายผู้หญิงนี้หรือใจขึ้นผู้หญิงแล้วไปได้ร่างกายของผู้ชายอันนี้มันก็ปรากฏขึ้นมาได้แต่ใจก็ยังเป็นชายยังเป็นหญิงอยู่คือชอบชอบหญิงหรือชอบชายอยู่เหมือนเดิมดังนั้นถึงแม้ว่าเขาจะได้ร่างกายของผู้ชายแต่ถ้าเขาเป็นถ้าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็ยังจะ เขายังจะชอบผู้หญิงอยู่เขายังจะชอบผู้ชายอยู่ใจเขาเป็นผู้หญิงแต่ว่าร่างกายเขาจะเป็นผู้ชายเียเขายังจะชอบผู้ชายอยู่เจ้าค่ะแต่มีมีมี ม, มีมีส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็จะถูกฝาถูกคู่กันใ จ, จเป็นผู้ชายก็ได้ร่างกายเป็นผู้ชายใจเป็นผู้หญิงก็ได้ร่างกายเป็นผู้หญิง แต่ก็มีบางคนที่โชคไม่ดีหรืออาจจะเป็นการบกพร่องของการประสมพันธุ์กันทําให้จับคู่ผิดกันใจเป็นผู้ชายดันไปได้ร่างกายของผู้หญิงหรือใจเป็นผู้หญิงแล้วไปได้ร่างกายของผู้ชายเขา้าเท่านั้นเองแต่ก็เป็นใจเหมือนกันทําบุญ ท, ทำบาปได้เหมือนกันไม่มีขอ้ขอแตกต่างกันอย่างใดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีชั่วนี่ ไม่ว่าจะใจใจจะชอบหญิงหรืใจจะชอบจชายก็ทําบุญทําบาปได้เหมือนกันไปสวรรค์ไปนิพพานไปนรกได้เหมือนกันมีใครอยากจะถามไหมยิงถามได้นะอาจจะเป็นเพราะตอนนี้ใจจะคิดไปเที่ยวอนะไรเมื่อกี้ก็มีคนมาลาขอไปเที่ยวหยุดยาวหลายวันด้วยกันตอนนี้ใจไม่ได้อยู่กับธรรมนะแล อยู่กับเลกเสียงจินล้นละจะไปเที่ยวที่ไหนดีจะไปดูอะไรดีจะฟังอะไรดีจะไปกินอะไรดีไปดื่มอะไรดีมียูทูบถามเข้ามาว่าเป้าหมายของพุทธศาสนาคือการทําจิตเกิดอุเมขาให้ได้ทุกอารมณ์ถือว่าดับทุกข์ใช่ไหมครับคือเป้าหมายก็คือกําจัดความทุกข์ที่มีในใจใจนี้เหมือนในร่างกายที่ไม่ที่เจ็บคไายได้ป่วย ก็ต้องไปหาหมอหาโรงพยาบาลรักษาพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นเหมือนโรงพยาบาลรักษาโรคใจอะไรที่มีความทุกข์ใจถ้าก็หาพระพุทธศาสนาหาหมอคือหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็จะได้รับการรักษาให้หายจากโรคโรคทางใจความทุกข์ทางใจจะหมดไปได้หน้าที่ของศาสนาในแค่นี้เนพะื่อรักษาใจไม่ให้มีความทุกข์อีกต่อไป ถ้าทําบุญแล้วเอาไปลดยอนภาษีด้วยแบบนี้ได้บุญไหมครับก็เงินที่เราเอาคืนนะก็เป็นก็เป็นเงินที่เราไม่ได้ทําบุญเพราะว่าเราทําเราทําไปร้อยแล้วเราไปขอคืนจากรัฐบาลมาสิบบาทนี้ก็ถ้าเราทําแค่เก้าสิบบาทไม่ได้ทำครบครบร้อยถ้าอยากทำครบร้อยก็ไม่ต้องไปหักมาให้เสียเวลาเหมือนการให้เงินใครแล้วให้กันเข้าร้อยหนึ่งแล้วขอคืนสิบาทเนี้ ว่าถ้าขอให้เขาแค่เก้าสิบาทไม่ได้ให้เขาเต็มร้อยเวลาอากาศร้อนจัดหนาวจาัดเราควรปฏิบัติประคองจิตอย่างไรคะแบบไม่ต้องมีแอร์และพยายามไม่ใช้พัดลมเจ้าค่ะก็เนี่ยถ้ามีอุบเบค้ขาก็อยู่มันได้ใจนิ่งสงบใจเย็นสบายถึงแม้ร่างกายจะร้อนก็ไม่เดือดร้อนแต่มันก็มีขอบเขตที่ร่างกายจะต้องมีการผ่อนปลน ถ้ามันร้อนมากจนเกินไปอาจจะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ก็ต้องมีการผ่อนโลนหาวิธีระบายความร้อนออกจากร่างกายไปหรือว่าถ้ามันหนาวหนาวมากๆจนกระทั่งเกิดอาการทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้ก็ต้องต้องคอยรักษาป้องกันไว้แต่ถ้ามันอยู่ในขีดที่ไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายก็ปล่อยมันเป็นไปมันจะร้อนก็ปล่อยมันร้อนไปมันจะหนาวก็ปล่อยมันหนาวไป ใจมีอเบกขาใจมีสมาธิแล้วใจก็จะไม่เดือดร้อนใจจะอยู่เฉยๆได้ใจจะมีความสุขเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่การสวรดมนต์แต่ละเล่มไม่เหมือนกันเราอิงจากที่พระสวดใช่ไหมครับแล้วพระสวดอัคราภิดจะเป็นอะไรไหมครับการสวรดก็เป็นการฝึกสติเท่านั้นแหละ ดันั้นถ้าเราสวนแล้วใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้ได้ไม่ต้องกังวนเลเรื่องอัคคระเรื่องอะไรมากจนจนเกิ น, นไปข้อสำคัญก็คือส่วนแล้วใจอย่าลอยใจอย่าคิดให้ใจอยู่กับการส่วนอย่างเดียวคนเป็นโรคซึมเศร้าจะใช้ธรรมโอสถแบบไหนคะใช้ความสงบเนียใช้สมาธินี่แหละสตินั่งสมาธิจิตสงบแล้วอาการซึมเศร้าก็จะหายไป